เบื้องต้นในขณะที่ท่านกําหนดจดจ้องดูอยู่ที่ลมหายใจเฉยอยู่อะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่ต้องไปคำหนึ่งถึงทางนั้นถ้าในช่วงนี้จิตมันเกิดความสว่างขึ้นมาก็จะไปเอะใจกําหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวหาเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมา ก็อย่าไปเอกใจกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวรือจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นอุทานธรรมะเป็นพาสิตซึ่งผุดขึ้นเป็นความรู้เป็นภาษาก็อย่าไปสําคัญมั่นหมายอย่าไปเอกใจกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวถ้าหากว่าท่านไปเอกใจหรือเอาใจใส่กับสิ่งนั้นสภาพจิตมันจะเปลี่ยน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 จิตจะมีความสงบแน่วแน่นิ่งลงไปไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือเอกะขัตตาในตอนนี้จิตของท่านสงบอย่างละเอียดมีแต่สภาวะจิตสงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวสมาธิขัน้นต้นนี้โดยส่วนมาก ในเมื่อจิตสงบลงไปถึงขั้นอัปปตาสมาธิหรือเอกขตาอย่างแท้จริงแล้วเราจะรู้สึกว่ากายหายไปหมดยังเหลือแต่จิตทวงเดียวล้วนๆแล้วในตอนนี้ผู้ภาวนานั้นไม่มีความสามารถที่จะนึกคิดอะไรอย่างอื่นขึ้นภายในจิตได้ เพราะสมาธิตอนนี้เป็นสมาธิด้วยความเป็นเองอย่างแท้จริงเป็นสมาธิที่หมดความตั้งใจซึ่งเรียกว่าสมาธิจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจเป็นสมาธิที่เป็นอัตโนมัติเป็นสมาธิที่เป็นเองผู้ภาวนาจะน้อมจิตไปอย่างไรก็น้อมไม่ได้ จะถอนจิตออกมาก็ถอนไม่ได้จนกว่าจิตนั้นมันจะถอนออกมาเองนี่คือลักษณะแห่งจิตที่เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิหรือเอกขตาในขั้นต้นสมาธิในขั้นนี้ที่ท่านว่ามันเป็นสมถะยังไม่สามารถที่จะ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 เป็นเหตุให้ผู้ภาวนาได้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตด่้งเดิมของตัวเองคือจิตที่ไม่มีอะไรนั้นมันมีลักษณะอย่างไรแล้วเราจะรู้ในตอนนี้และเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิในขั้นนี้เมื่อม า, มารับรู้อารมณ์คือเกิดความคิดขึ้นมาสภาพจิต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 สิ่งที่จะพึงได้เป็นผลตามมาก็คือความมีสติสัมปชัญญะจะค่อยปรากฏขึ้นทีละน้อยละน้อยในขั้นแรกจิตสงบเพียงครั้งสองครั้งเมื่อเจิตออกจากสมาธิขั้นนี้แล้วมันก็จะถอยโผดโผดออกมาโดยไม่กําหนดอะไรเลยออกมาโซความเป็นซึ่งเคยเป็นมาตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่เคยทําสมาธิ แต่ถ้าเจต่านธ์สมาธิแบบนี้บ่อยๆคิดจะเกิดมีตัวสติตามรู้ความคิดขึ้นมาทันทีเจตคิดอะไรแต่สติก็จะจ้องตามรู้ให้ผู้ภาวนารีบถวยโอกาสในตอนนี้กาหนดจดจ้องตามรู้ความคิดของตอนเองไปเรื่อยๆเจตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้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 ตามรู้อารมณ์คือความคิดซึ่งเกิดขึ้นกับจิตเมื่อเจตเมสติตามรู้อารมณ์คือความคิดทันกันเมื่อไรเมื่อนั้นความคิดซึ่งเราเคยมีอยู่แต่ก่อนนั้นมันจะกลายเป็นภูมิปัญญาโดยลักษณะที่ว่าเจตตัวผู้รู้ก็จะปรากฏรู้อยู่ส่วนหนึ่งต่างหาก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 แต่เอกอันหนึ่งนั้นกระแสะแห่งผู้รู้มันออกไปรับรู้อารมณ์ในเมื่อรู้ขึ้นมาแล้วจิตมีสติอาศัยสติเป็นพะละเป็นกำลังจึงไม่ไปยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองปรุงขึ้นมาในเมื่อเจตปลุงความู้ขึ้นมาโดยไม่มีความยึดถืออาการของกิเลสมันก็ไม่มีมีแต่รู้เฉยอยู่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 มันก็กลายเป็นตัวปัญญาจึงเกิดเป็นตัววิปัสสนาขึ้นมาด้วยประกา ะ, ะนี้ต่อนี้ไปขอท่านทั้งหลายได้โปรดกําหนดจิตลงกาหนดรู้ลงที่จิตพยายามจดจ้องลงที่ตัวผู้รู้ หรือผู้ที่ยังภาวนาไม่เป็นก็กำหนดบริกรรมภาวนาตามที่ตนเคยจำนิจำนานมาแล้วผู้ที่เคยมีสมาธิมาแล้วและทำสมาธิได้เร็วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบริกรรมภาวนาอีกกำหนดรู้ลงที่จิตเท่านั้นจ้องรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้คอยจดจ้องว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิต ในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตจิตมันจะตามรู้ในขั้นแรกเราจะกาหนดจดต้องด้วยความตั้งใจให้มันตามรู้แต่เมื่อมันรู้ทันกันจริงๆแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องกําหนดตามรู้ให้มันลาบากจิตกับสติเป็นของคู่กันแล้วจะกําหนดตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตเองโดยอัตโนมัติในตอนนี้เรียกว่า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 อีกครั้งหนึ่งนั่นแสดงว่าจิตมันตัดสินภูมิความโลภโภมปัญญาที่เกิดขึ้นมาเคื่อมันโลดซึ่งเห็นจริงแล้วมันก็ตัดสินเข้าไปสู่ความสงบนิ่งสว่างอีกทีหนึ่งในคัมภีร์ท่านกล่าวไว้ว่าจิตมันจะมีการสงบใจอยู่อสี่ครั้งครั้งที่หนึ่งจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งประโสดาพัน ครั้งที่สองจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งพระสกทาคามีครั้งที่สามจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งพระอนาคามีครั้งที่สี่จิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งพระอระหันต์เช่นอย่างท่านัญญาโกนทัญญาฟังพระธรรมจักกัปวัตตนสูตรแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าอย่างไร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 ความเห็นความรู้ในขั้นสุดยอดมันมีเพียงแค่นี้ใครจะเทศไปยังไงอธิบายไปยังไงพิจารณาไปยังไรในเมื่อจิตมันโลแจ้งเห็นจริงลงไปมันก็มีแต่อย่างจินจิสมุทัยธรรมบงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะความรู้อันนี้มันไม่มันอยู่เหนือสมมติบัญญัติอยู่เหนือโลกเป็นความรู้ขั้นโลกุตตะะธรรมเมื่อท่นานัญญาโคทัญญาลูแล้วเห็นแล้วพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่าเป็นพระโสดาบัน ในเมื่อได้เป็นพระโสดาบันแล้วจากคค่งอุทปาธิจากสูบ ข, ของท่านสว่างโพ้งขึ้นมาปัญญาอุทปาธิปัญญาความรู้รอบสามารถทรงตัวได้อยู่ในสภาพปกติเป็นองค์อริยมรรคก็สว่างโพ้งขึ้นมาวิชาอุทปาธิความรู้แจ้งเข็นยิงความรู้แจ้งเข็นจริงปรากฏขึ้น เมื่อวิชาความรู้แจ้งเห็นริงกลากดขึ้นแล้วมันก็สามารถขับไล่อวิชาคือความไม่รู้ให้หมดไปอาโลโกอุตปาทิภูมิจิตของท่านจึงสว่างสวัยไม่มีที่สิส้นสุดสว่างไปทั่วโลกที่นี้พวกเทวดาภูมิเทวดาอากาศักะเทวดาจงกระทั่งพรมโลก ก็ส่งเสียงอึงคนึงบอกข่าวกัต่อไปว่าพระอรหัสตอรหันต์ปฐมวาสาวกเกิดขึ้นในโลกแล้วเสียงดังเกิดกล้องไปจนกระทั่งท่านอากนิษฐาผลมที่เราสวดต่อทอ้ายทำมาจากกัปปวัตนสูตรวันนั้นไปเทศที่วัดบวรมีอุบาสกอุบาสิการสวดก็หมายถึงสวดว่ า, าสวด เรื่องของเทวดาได้รู้ว่าท่านอัญญาโกลทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้บรรลุพระโสดาบันมีความเชื่นชมยินดีแล้วก็บอกต่อๆกันไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงท่านอานิกย อ, อาภณิษฐานาผมทําไมจิงเทเจวดาจิงรู้ก็เพราะว่าท่านอัญญาโกลทัญญะเนี่ได้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วดวงจิตของท่านสว่างสวยัยแผ่รัศมีครอบคลุมโลกสว่างไปหมด มันก็กระทบประเทือนถึงจิตใจของเทวดาเทวดามีความแตกตื่นโกลาหลก็บอกข่าวต่อๆกันไปอันนี้คือความอัศจรรย์ของธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติมีท่านอัญญาโกนธัญะเป็นตัวอย่างเอาละตอนนี้ไปเป็นอันว่าหยุดเทศแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงกำหนดจิตทำความสงบจนเก่กว่าจะถึงเวลาอันสมควร ไม่สราว่าจะตอบไหวหรือเปล่ากระเมสสา <c oughs> สำหรับปัญหาของของท่าน อ, าอันดับแรกมีคำถามว่าขณะที่อยู่ในสมาธิเข้าไปอยู่ในองค์ฌาน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 ไอชานในขั้นต้นนี้เรียกว่ารูปชานมีอยู่สี่ขั้นการทำสมาธิบรรลุชานขั้นที่หนึ่งประกอบด้วยองค์ห้าเคจิตยังมีวิตกมีวิจาร์ปีติสุขเอกคตาอยู่กลมจิตอยู่ในชานขั้นนี้มีลักษณะจิตสงบนิ่งใสสว่าง พ่ถ้าหากว่าจิตในขั้นนี้ยังมีปรากฏองค์ชานอยู่ครบทั้งห้าคือยังมีวิตกวิจารณปีติสุขเอกขตาอยู่ปลอมก็เรียกว่าจิตอยู่ในฌานขั้นที่หนึ่งถ้าหากว่าพ่ปฏิบัตินั้นไม่สามารถที่จะเข้าฌานแบบนี้ได้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 ซึ่งอยู่ในองค์ฌานจิตสงบนิ่งไม่สอดสายจิตเป็นกลางนานถึงหนึ่งชั่วโมงเรียนถามว่าลักษณะจิตนี้ใช่ไหมซึ่งเรียกว่าอุเบกขาอสำหรับข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี้ขอตอบรวมกันเลย <c oughs>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 อันนี้จิตอยู่ในฌานขั้นที่สองเรียกว่าทุติยฌานถ้าหาปีติหายไปยังเหลือแต่สุขกับเอกัขตาจิตอยู่ในฌานขั้นที่สามถ้าสุกหายไปยังเหลืออยู่แต่เอกคตากับอุเบกขาซึ่งในขั้นนี้จิตมีลักษณะแห่งความเป็นหนึ่ง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 ยังไม่พ้นอบายที่แน่นอนพ้นทั่วขณะที่อยู่ในฌานและภูมิจิตอยู่ในฌาน <c oughs> คือว่าการอยู่ในฌานเนี่ยสมาธิในฌานนี่มันจเจริญได้ง่ายแล้วก็เสื่อมง่ายเช่นโรกศิบของท่านระมหากัสสปะได้าเร็จฌานสมาบัติแล้วไปไหนหอไปเหาะไป อาจารย์เตือนว่าอย่าประมาทอยู่มาวันหนึ่งสามะเนนเข้าฌานแล้วก็เหาะไปในอากาศพอดีอยู่ในระหว่างอากาศนั่นแหละระหว่างที่อยู่ในอากาศนั้นยึดถอนจากฌานก็พ อ, พอได้ยินบังเอิญได้ยินเสียงสตรีร้องเพลงจิตเกิดมีความยินดีขึ้นมาพักหนึ่งเข้าฌานไม่ทนันฌานเสื่อม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 เพราะฉะนั้นการบรรลุฌานจึงไม่เป็นแนวทางที่ให้ตัดสรุ้เพราะมันมีเสื่อมมีเจริญถ้าหากขผู้เท่เข้าฌานไม่ชำนิจำนานเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเข้าฌานไม่ทันก็เอาตัวรอดไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสามมณเนลูกศิษย์พระมหากรสปะออกไปในอากาศเจดถอนจากฌานเพียงขณะเดียวตอนนั้นสัมผัสกับเสียงที่เป็นที่ยินดี ชานเสื่อมก็เลยตกลงมาจากอากาศเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ชานสีแล้วยังไม่พ้นอบายญบปุ่นค้นเฉพาะเวลาที่อยู่ในชานเท่านั้นเอง <c oughs> อข้อสี่ขณะที่อยู่ในองค์ชานก็ดีหรือปฏิบัติอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิก็ดีทั้งสองระดับนี้มีแต่ความสงบนิ่ง <c oughs> ถ้ามีนิมิต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 เจตนาที่จะให้จิตอยู่อย่างนั้นไม่มีเจตนาที่จะให้จิตถอนไม่มีคือมันไล่สมัรชภาพโดยประการทั้งปวงแต่จิตจะถอนออกมาได้ก็ต่อเมื่อถึงการเวลาที่จะถอนออกมาเองทีนี้ในตอนต่อไป <c oughs> ความอ่า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 ถ้าหากว่าจิตเคยผ่านการพิจารณาสภาวะธรรมมาแล้วจิตจะเกิดโพมความรู้ขึ้นมาแต่ภูมความรู้อันนี้อยู่ในขั้นละเอียดมากเพียงแต่สักว่ามีสิ่งรู้แต่ไม่มีสมมติปัญญาติในสิ่งรู้นั้นว่าเป็นอะไรมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ ก็อย่างที่ในท้ายธรรมจักรปวัตนสูตรที่ได้อธิบายตอนท้ายธรรมเทศนากันนี้เองและการโลธรรมของจริงนี่มีแต่รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นถ้าสิ่งใดที่ยังรู้มีสมมติบัญญัติสิ่งนั้นยังไม่เป็นของจริงถ้าสิ่งใดโลเห็นแล้วอยู่เหนือสมมติบัญญัติเพียงแต่สักว่าู้ว่าเห็นสิ่งนั้นจึงจะเป็นของจริง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 แต่ถ้าพรมจจตผ่านแล้วหายสงสัยซซ่งบางทีในำตำราตำราอาจจะไม่ได้เขียนไว้หรือเขียนไว้เราอาจจะค้นไม่เจอก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราหมั่นพิจารณาหมั่นทำหมั่นภาวนาแล้วสิ่งเหล่านี้จะผ่านเข้ามาในความรู้สึกของเราเองอาในเมื่อพูดถึงกนนีแล้ว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 แต่สภาวะเกี่รู้เห็นนั้นไม่ได้เกิดความรังเกียจเพราะในขณะนั้นจิียตสักแต่ว่าลูลเห็นอยู่เฉยๆความรู้สึกกินดียินได้ความรู้สึกว่าสวยไม่สวยไม่มีมีแต่สภาว ะ, ะเสมอกันหมดในบางครั้งในเมื่อภาพอสุภะนิมิตปรากฏขึ้นมาพร้อมๆกันนั้นอาจจะมีปรากฏภาพที่สวยงามที่สุด มาเป็นเครื่องเปรียบเทียบเมื่อจิตของผู้ภาวนาเพ่งมองสิ่งที่รู้เห็นอยู่นั้นความรู้สึกระหว่างของเน่าเปื่อยกับของที่มีสภาพดีและสวยงามมีสภาพเสมอกันหมดอันนี้คือความเป็นจริงในปลากฎกา์ที่เกิดขึ้นในจิตของท่านผู้ภาวนาแต่ว่าจะเป็นเรื่องผิดถูกอย่างใดก็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 ค่มจิตที่เดินชาญสี่เมื่อไม่นานมานี้มีท่านผู้หนึ่งเขียนจดหมายไปถามเกี่ยวกับเรื่องจิตเดินชาญแต่ยังไม่ได้ตอบจดหมายนั้นไปยังผู้ถามจึงจะขอถือโอกาสนี้อตอบในข้อที่ว่าท่านผู้นั้นถามมาทำไมเนื่อมาจิตเดินชานในระยะแรกนั้น เราสามารถกำหนดวิตกวิจารปีติสุกเอกขาตากำหนดโลชัดเป็นขั้นตอนแต่เมื่อนางนาะเข้าทำไมกำหนดไม่ได้ภูมิจิตมันเสื่อมหรือ ว, ว่ามันจเจริญ ม, มันผิดหรือมันถูกอันนี้ขอตอบว่าเป็นธรรมชาติของภูมิจิตที่เดินอยู่ในชานที่ชำนิชำนานแล้วในขั้นแรกๆพอจิตนึกวิตกวิจารเกิดปีติ จิตมันเพ่จะได้ดื่มรสแห่งปีติหลือความสุขจากสมาธิมันก็ยับยั้งอยู่เป็นเวลานานเมื่อจิตทานองค์ชานบ่อยๆเข้าความชำนิชำนานก็เกิดขึ้นและความติดสุขในขั้นทานย่อมจางไปเนื่องจากความชำนิชำนานของภูมิจิตที่เดินทานและจิตที่มีความรู้สึกอิ่มในรสแห่งปีติหและความสุข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 โดยที่กำหนดวิตกวิจารปีติสุเอกคตาไม่ทันอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่เดินคล่องในองค์ฌานไม่มีผิดข้อห้าทำไมเมื่อออกจากสมาธิแล้วบางครั้งจะมีความรู้แปลกๆเกิดขึ้นซึ่งขาดและความรู้ที่ออกจากสมาธิใหม่ๆพอจะเชื่อได้หรือไม่ว่าเป็นความจริง อันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่ฝึกขัดสมาธิติดต่อการทาสมาธิแต่ละครั้งละครั้งบางทีอาจจะไม่เกิดความสงบหรือความรู้แจ้งเห็นจริ ง, รงผู้ปฏิบัตินั้นรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเปล่ า, ล า, าประหลาดจากประโยชน์ไม่ได้ผลอันใดแต่ถึงกระนั้นการกระทำนั้นก็สะสมกำลังไว้ทีละเล็กทีละน้อยธรรมะเป็นอาการโกได้จังหวะเมื่อไร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 ไม่เข้าใจในศีลบางข้ออยากจะเรียนถามว่าศีลข้อที่หวิการโภชนาะคือห้ามทานอาหารเกินเที่ยงหนทำงานพักเที่ยงกว่าจะทานเสร็จก็เกือบเที่ยงครึ่งถ้าหนูถือศีลแปด หนอยากจะกล่าบว่าศีลข้อนี้จะขาดหรือเปล่ า, าการกําหนดวิกาลโภชนะนั้นถือเอาเวลาลุ่งอรุณไปถึงตะวันเที่ยงตะวันตะวันคล้อยไปเพียงสององคุรีถือว่าเป็นวิกาลโภพเป็นเวลาบ่ายอันนี้ <c oughs> การถือศีนหรือการรักษาศีลเนี่ย ถ้าเรามีความจําเป็นหรือไม่มีโอกาสที่จะทำได้สรุปเรื่องศีแปดนี่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปยึดให้มากนักเพียงแต่แข็่ในศีห้าข้อเท่านั้นก็สามารถบำเพ็ญสมาธิบรรลุมรรคผลนิพพานได้แล้วก็กลับจะสบายเสียอีกการถือสีเกินกว่าห้าเนี่ย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 แล้วก็ไปภาวนาอย่างสำเร็จมักผลนิพพานได้พลาดถือศีลสองย2 7ไปเด็ดไปไม้ไปเดียวภาวนาไม่รู้ทำเห็นทำเพราะฉะนั้นการที่เราจะเพิ่มศีลของเราให้มากขึ้นมากขึ้นเน่ต้องพิจารณาดูสมรรถภาพของเราสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือว่าให้แข้งในศีลห้าข้อเมื่อแข่งในศีลห้าข้อแล้วศีลอื่นๆนั่นะ่ะมันค่อยกระเถิบขึ้นไปเอง สำหรับปัญหาของคันนี้ขอตอบเพียงแค่นี้อีกปัญหาข้อต่อไปเวลานั่งสวดมนต์เดินจงกลมหรือว่ากำหนดสติอยู่ที่ปลาย อ, อยู่ที่กายแล้วทุกอย่างจะรู้สึกเหมือนมีอะไรแทงเข้าไปตรงแสกหน้าภายในเสมอปวดหัวก็ไม่ใช่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 เป็นกระแสจิตที่แท่งตรงออกไปทางหน้าผากมากพวกนักใช้พลังจิตเขาว่าพลังจิตนี่มันออกตรงหน้าผากระหว่างเนือ้อเนื้อคิ้วขึ้นไปหน่อยตรงนีตรงกลางตรงแสกหน้านี่อันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาเมื่อทำนานๆานเข้าอุปทานความเย็ดในสิ่งเหล่านี้มันก็จะค่อยจางหายไปแล้วจะกลายเป็นปกติ บางทีเรานั่งสมาธิบางทีก็รู้สึกว่าถ้าเราส่งกระแสจิตขึ้นไปสูงมันก็ปวดศรีรษะเพ่งออกทั้งหน้ามากมันก็รู้สึกมีอะไรเสียบแทงแต่ถ้ากดความรู้สึกให้ต่าลงมามันก็รู้สึกว่ามีสิ่งที่มาค้าคอให้ก้มลงมาอันนี้มันเกิดอุปาทานที่เราปรุงขึ้นมาข้อต่อไปการกำลัดจิตตามรู้ตามเห็น เทเจจะกำหนดอย่างไรพระผุญเจ้าสิ่งที่ควรจะกำหนดตามรู้ตามเหตุก่อนกินดื่มทาพูดเราเดินรู้ว่าเราเดินเราเยืนรู้ว่าเราเยืนเรานอนรู้ว่าเรานอนเรานั่งรู้ว่าเรานั่งเรารับทานรู้ว่ารับทานจนกระทั่งภายอุจาราปัจสาวกำหนดตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมเข้ามากำหนดตามรู้ความคิดที่มันจะเกิดขึ้นภายในจิตของเราทุก ตลอดเวลาทำสติตัวเดียวตามรู้สิ่งเหล่านั้นตลอดไปนี่คือการกำลนดตามรู้อาการทั้งภายในและภายนอกภายนอกก็คือการไหวกายภายในก็คือการไหวจิตอของท่านต่อไปตามที่กล่าวว่าอะไรนี่จุดติอ่า ตามที่กล่าวว่าจิตหรือวิญญาณเดิมนั้นเป็นประพัดสอซึ่งหมายว่าจิตวิญญาณก่อนที่จะเข้าปฏิสนธิคนเมื่อตายแล้ววิญญาณหรือจิตจะออกจากล่างไปพร้อมกับนํากรรมชั่วกรรมดีไปปฏิสนธิในร่างใหม่แสดงให้เห็นว่าจิตหรือวิญญาณดวงนี้ไม่ประพัดสอนเพราะมีกิเลส เจิตประพัดสอนได้ในพาสิทธิที่ว่าประพัดสลามีทางพิกเวจิตตังจิตเป็นธรรมชาติประพัดสอนอันนี้หมายถึงจิตตั้งเดิมคําว่าประพัดสอนของจิตในขั้นนี้เปรียบเหมือนผ้าที่ขาวสะอาดผ้าที่ขาวสะอาดพร้อมที่จะดูดสิ่งสกปลกคือสียอมได้ เจตประพัดสอนหมายถึงจิต ท, ที่เป็นนิ่งอยู่เฉยๆโดยที่ยังไม่มีอายะตนะมาเป็นส่วนประกอบเช่นจิตของคนเราเมื่อออกจากร่างไปมีแต่จิตดวงเดียวยังไม่ถือปฏิสนธิก็มีแต่จิตล้วนๆจิตล้วนๆที่ไม่มีอวัยวะประกอบคือยังไม่มีร่างกายมันทำอะไรไม่สำเร็จมีแต่ร่องรอยอยู่เสมอ อ, อยู่เฉยๆ ทีนี้เมื่อก ร, รมที่เราได้ทําไว้ในภบนี้ชาตินี้ไปโนุนส่งให้จิตดวงที่ไม่มีตัวนั้นไปเกาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วมันจึงจ ะ, จะมีความรู้สึกในคิดไปตามประสาทของร่างกายที่มันเกาะพบกาะชาติขึ้นในเมื่อมันยังไม่มีตัวมันก็มีมันก็เป็นจิตประพัดสนแต่ไม่ใช่จิตบริสุทธิ์สะอาดเหมือนจิตสําเร็จอนิพาน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 เมื่อตายไปแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้หรือไม่ว่าจิตหรือวิญญาณของผู้นั้นไปอยู่ที่แห่งใดข้อสหลักที่ว่าวิญญาณอนิจจังวิญญาณังอนิจจังตายแล้วจิตหรือวิญญาณไปหาที่เกิดใหม่หรือจิตวิญญาณไม่ตายไปพร้อมกับร่างกายนีแ่แปลว่าวิญญาณนั้นเที่ยง ้าวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณก็ย่อมตายไปพร้อมกับร่างกายอันนี้ขอตอบข้อที่สงก่อนพระองค์พระพุทธองค์กล่าวว่าพระอรหันต์ที่ตายแล้ววิญญาณไปอยู่ที่แห่งใดเดี๋ยจะเปรียบเหมือนควันไฟที่ลอยไปในอากาศซึ่งไม่ทราบว่าฟันไฟไปอยู่ที่แห่งใด เอออันนี้ตอบอยากสักหน่อยเพราะว่าผู้ตอบก็ยังไม่เป็นพระอราหารันต์แต่จะขอเอาคำตอบของท่เจ้าขุณพระอุบาลีสิริจันโทจันมาตอบท่านเจ้าุอุบาลีสิริจันโทจันท่านตอบท่านกล่าวคำนี้ไว้ว่าพระอราหันต์ผู้สําเร็จพระนิพพานแล้วอยู่เหนือโลกเพราะขั้นแห่งธรรมมีโลกียะธรรมมีโลกุตรธรรม สภาพจิตของท่านผู้ใดยังคล่องอยู่ในโลกียังมีกิเลสตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปูงสภาพจิตของผู้ปล่อยวางกิเลสตัณหามานาทิฏฐิอุปาทานได้ขาดสิ้นแล้วเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่ถือว่าโลกนี่เป็นเราเป็นเขาของเราของเขาแม้จะมีร่างกายอาศัยโลกนี้อยู่แต่สภาพจิต ก, ก็เพียงแต่ว่า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 โสตวิญญาณคารณวบญญาจิวหาวิญญาณกายวิญญามะโนวิญญารูทางหูตาจรูทางหูจะูมกลิ่นกายแหละใจอันนี้เป็นวิญญาณในขันห้าสัญญ า, าเวทนาสัญญาทั้งขันวิญญาณสิ่งทั้งห้านี้อาศัยรูปเป็นแดงเกิด เมื่อโลกยังปรากฏอยู่ความรู้สึกมีสัญญาอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรับรู้ทางทวารหกยังปรากฏอยู่ทีนี้เมื่อร่างกายอันนี้ตายสับสนลงไปแล้วทวารหกตาหูจมูกลิ้นกายข้อสลายตัวไปยังเหลือแต่วิญญาณอีกตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณก็หมายถึงวิญญาณที่เป็นตัวรับรู้สิ่งที่มากระทบนั่นเอง แต่ลักษณะของปฏิสนธิวิญญาณนี้มีลักษณะสักด์แต่ว่าโลจักไปผุดไปเกิดโลจักไปปฏิสนธิโลจักจุติยังเป็นวิญญาณนงอ น, นิจจังอยู่เหมือนกันเพราะยังเปลี่ยนภพเปลี่ยนภบเปลี่ยนชาติซึ่งย่มจะเป็นไปตามกฎของกรรมทำกรรมดีไปดีทำกรรมชั่วไปชั่ว เช่นอย่างเวลานี้เราเกิดเป็นมนุษย์พบหน้าอาจจะเกิดเป็นเทวดาต่อไปเกิดเป็นพระอินทร์ถ้าถึงคราวซวยก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้เรียกว่าวิญญาณังอ น, นิจจงคือพบที่เกิดมันยังไม่แน่มีคติไม่แน่เพราะยังมีกิเลสอยู่มากมาย ดิฉันเป็นผู้ไข่ปฏิบัติด้วยใจจริงแต่มีข้อสงสัยในบางประการจึงขอกราบเรรศเจ้าจตีเกิดดับนั้นดิฉันเข้าใจขณะที่กำลั ง, งขณะที่ทำสมาธิอยู่จิตนั้นจิตนั้นเกิดไปคิดเกิดไปคิดเรื่องหนึ่งขึ้นจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามรู้ ถ้ารู้เรื่องหนึ่งๆเจ็บของเราก็ตามรู้อย่างนี้เรียกว่าจิตเกิดดับใช่ไหมคำว่ า, าจิตเกิดดับเนี่ยหมายแทนจิตเปลี่ยนอารมณ์ยกตัวอย่างเช่นคณะนี้จิตอยู่กับกระดาษสีขาวบัตเตออยู่กับสีเขียวเปลี่ยนจากขาวเป็นเขียวตายจากขาวแล้วก็มาเกิดเป็นเขียว อันนี้เรียกว่าจุติปฏิสนธิของจิตในวาระจิตหนึ่งแล้วก็เป็นเกิดดับเกิดดับในวาระจิตหนึ่งเราฉะนั่นคำว่าเกิดดับเกิดดับนี่หมายถึงจิตเกิดู้อารมณ์สิ่งนี้ขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเกิดปล่อยวางอารมณ์สิ่งนี้ไ ป, ไปเรียกว่าดับอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นมาเรียกว่าเกิดอารมณ์นี้ดับไปเรียกว่าดับเรียกว่า Winds, จิตเกิดดับเกิดดับ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 แต่ขอบอกว่าการเห็นภาพนิมิตต่างๆนั้นไม่เกิดประโยช น, น์ใดนอกจากจะทำให้จิตของเรามันหลงการภาวนานั้นจะมีนิมิตเกิดขึ้นก็าตามไม่มีก็าตามอยา่าไปใฝ่ฝันอยากจะรู้จะเห็นนิมิตนั้นๆความมุ่งหมายของการภาวนานี่หนึ่งให้จิต สงบปลงไปเพื่อจะรู้เห็นสภาพความจริงของจิตของเราว่ามันเป็นอย่างไรทีแรกเห็นความสงบของจิตและความฟุ้งซ่านของจิตก่อนเมื่อใจสงบปลงไปแล้วเห็นลักษณะจิตที่สงบบ้างๆไม่มีอะไรเราออกจะใกล้จะรู้ความเป็นจริงของจิตร่้งเดิมในลักษณะที่เรียกว่าประพัฒสลมิทางพิขเวจิตตังจิตเป็นธรรมชาติตระพัฒสอนคือจิตตัางเดิมของเรา ทีนี้ในเมื่อเจ็บปั้นอยู่ว่างๆเป็นธรรมชาติต่อพัดสอนนั้นมีความรู้สึกสบายไหมมีความรู้สึกทุกข์ไหมให้มันรู้มันเห็นอันนี้เมื่อเจ็บั้ออกจากสภาวะอย่างนั้นมารับรู้อารมณ์แล้วมันเดือดไหมมีความทุกข์ไหมฟุ้งซ่านไหมเดือดร้อนไหมให้รู้ว่าเห็นกันที่ตรงนี้เรื่องนิมิตต่างๆนั่นจะเห็นหรือไม่เห็นไม่สําคัญแต่ถ้าใครจะเห็นได้ก็ดีถ้าไม่เห็นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจ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 ถ้าปัญหาของผู้ถามเนี่ยโดยเหนือว่าอย่างน้อยไปขอให้ตั้งประฏิฐานเอาไว้ว่าวันหนึ่งจะตั้งสมาธิให้ได้วันละสามครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงถ้าได้จงนั้นเป็นดีที่สุดแล้วจิตจะสงบจะรู้ทำเห็นทำง่ายอทอของท่านต่อไปการปฏิบัติธรรมทางฝ่ายมหายานกับเทราวาด มีข้อแตกต่างกันอย่างไรถ้าเมจิตตั้งมั่นม่งสภาวะพระนิพพานแล้วการปฏิบัติทางใดทางหนึ่งเพียงทางเดียวอ้อควรปฏิบัติทางใดทางหนึ่งโดยทางเดียวหรือไม่ถ้าใช่ถ้าใช่จะการปฏิอาจะปฏิบัติในทางใดเพราะเหตุใด ถ้าจะปฏิบัติควบคู่กันไปทั้งสองทางจะวุ่นวายหรือไม่เอออันนี้เป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะยากสักหน่อยคำถามที่ว่าการปฏิบัติในฝ่ายมหายานกับเทราวาดต่างกันอย่างไรอันนี้ขอบอกว่าทางฝ่ายมหายานเฉพาะฝ่ายเดียว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 เพื่อเป็นแนวทางชักจูงให้เกิดลาบผลอันเป็นฝ่ายอามิตรไม่ได้มุ่งต่อความบริสุทธิ์สะอาดแห่งใจอันนี้เป็นอีกฝ่ายหนึ่งทีนี้ทั้งมหายาณและเถราวาดก็มีจุดมุ่งหมายอยู่สองอย่างเหมือนกันหนึ่งปฏิบัติเพื่ออามิตรสองปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์คือสําเร็จพระนิพพานทีนี้ที่ควรจะถือเป็นหลักปฏิบัตินั้น วรจะย็ดหลักที่ว่าปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์สะอาดแห่งใจเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอามิตรและความนิยมรับถือที่ได้จากประชาชนถือเป็นเพียงผลปล่อยได้โดยความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติทำทำดีตามแนวของพระพุทธเจ้าเนี่ในเมื่อใครทําดีแล้วทําได้ดีแล้วศีล ส, สมาธิปัญญาประจมพร้อมลงไปแล้วจะปรารถนาสมบัติเป็นโลกีโลกุตละก็ได้ทางนั้น ถ้าใครเชื่อมั่นแล้วก็มุ่งตรงต่อความสงบจิตในรู้จริงเห็นจริงในสภาวธรรมจนกระทั่งทมกิเลสให้หมดไปจากจิตใจอันนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องปัญหาของท่านผู้นี้เวลานั่งสมาธิรู้สึกว่าเหมือนกายจะระเบิดออกจะเป็นเฉพาะที่ฝ่ามือจิตเย็นสบายปล่งลมหายใจเบาขึ้นเบาขึ้น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 เมื่อทำไปพอสมควรแล้วผลจะเกิดขึ้นมาเอง <c oughs> แต่ว่าต้องทำให้มากๆหน่อยนะยี่สิบนาทีสามสิบนาทีไม่พอเวลาเดินจงกรมกำหนดอนาปาณสติเดินไปนานพอสมควรรู้สึกว่าเห็นแทนดินที่อยู่ข้างหน้าหมุนหมุนได้เหมือนกับน้ำในตุ่มที่ถูกมือกวนอันนี้เป็นสภาวะของจิด ไอ้ความหมุนความเวียนความที่แผ่นดินจะพลิกจะปินอย่างไรก็ตามอันนั้นเป็นอาการของจิต ท, ที่ปรุงขึ้นซึ่จิตของเราอาจจะปรุงไปเป็นต่างๆอันนี้ถ้ามีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติกำหนดรู้ลงที่จิตและเอาสิ่งนั้นเป็นเพียงสภาวาแต่เครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติระคับระคองตัวผู้รู้เอาไว้ให้ดี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 แล้วมันจะได้ปล่อยวางความเจ็บปวดนั้นปัญหาของท่านข้อต่อไปในการนั่งฟังธรรมหากทำสมาธิไปด้วยพิจารณาคำเทศ ค, คำสอนในขณะนั้นจิตรับรู้เสียงที่ได้ยินทอกท้อยคำแต่เมื่อถอนจากสมาธิแล้วเพราะเหตุใดจึงละลึกไม่ได้เลย อันนี้สภาวะจิตเพียงแต่รับรู้สัมผัสแต่ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรพอได้ยินแล้วก็สราว่าแต่ได้ยินได้ยินแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ได้กำหนดจดจำเป็นลักษณะของจิตที่มีสมาธิบ้งพอสมควรลักษณะของจิตที่มีสมาธิบ้างพอสมควรเวลานั่งฟังธรรม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 สามารถประครับประครองจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านในเวลากระทบกับอารมณ์จะกลายเป็นสติวินโยสติเป็นผู้นำนำทางไปสู่ทางมรรคผลนิพพานขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าการรู้เห็นอะไรต่างๆนั้นไม่สำคัญเพียงแต่ว่ารู้แล้วเห็นแล้วเอาสิ่งนั้นเป็นที่ระลึกของจิตเป็นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นที่ระลึกของสติ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 การถวายสังฆทานเป็นอย่างไรทําแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้างกระถินในผ้าป่าเป็นสังฆทานหรือไม่การถวายสังฆทานหมายความว่าทายกมีปัจใจสี่อะไรก็ได้โดยเจตนาน้อมเข้าไปถวายเพื่อสูงเข้าไปในวัดเจ่นไปในวัดสัพพทุมเนี่ยไปบอกกับพระองค์ใดองค์หนึ่งแล้วข้าพเจ้าขอถวายสังฆทาน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 ในเมื่อถวายพระแล้วท่านอนุโมทนาแล้วก็เป็นเสร็จพิธีที่นี้ประโยชน์ที่จะให้เกิดขึ้นนั้นตามหลักที่พระพุทธองค์แสดงไว้ว่าการให้ทานแก่บุคคลผู้เดียวเรียกว่าปุคลิกฐานเป็นทานที่เฉพาะเจาะจงอานิสงส์มีน้อยแต่ถ้าทำกับพระสงฆ์นั้นมีอานิสงส์มาก ถ้าหากว่าทําแก่สงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขประธานยิ่งเป็นอานิสงส์อย่างมากไปผลแตกต่างกันอย่างนี้ผ้าป่าและกะถินกะถินนี้เป็นสังฆทานโดยตรงหลีกเลี่ยงไม่ได้ผ้าป่านี่เป็นสังฆทานก็ได้เป็นส่วนบุคคลก็ได้แล้วแต่เจตนาของเจ้าภาพแต่กะถินนี่ต้องสังฆทานอย่างเดียวในปัญหาข้อต่อไปนรกสวรรค์ เริ่มมีมาแต่เมื่อไหร่นรกสวรรค์เริ่มมีพร้อมพระพุทธเจ้าหรือไม่ครับนรกสวรรค์นี่มีมามีมาตั้งแต่สิ่งที่มีบิญญาณเกิดขึ้นในโลกถ้าหากทางนักวิทยาศาสตร์ก็ว่าโลกแผ่นดินนี่ตกเป็นชิ้นส่วนซึ่งตกมาจากดวงอาทิตย์ในตอนแรกๆ ก, ก็มีความร้อนระอุเหมือนไฟ ภายหลังมาโลกมันเย็นลงเกิดมีสิ่งที่มีชีวิตขึ้นในโลกสวรรค์แลโลกเกิดขึ้นพร้อมกับสัตว์มีชีวิตเกิดขึ้นในโลกทีนี้สวรรค์แลกนี่มีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดไม่อาพระพุทธเจ้าเพียงแต่รู้ว่านาลกมีสวรรค์มีดังที่ว่าพระพุทธเจ้าตัดสัโลสัจธรรมของจริงที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามาสร้างความเป็นจริงขึ้นมาแล้วมาสอนให้คนตัดสุล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 มีแต่เพียงศีลห้าเท่านั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรคนการปฏิบัติแบบใดที่จะทำให้ให้มีความรู้จิตของคนจะเพาะภายในพร้อมทั้งพูดคุยกับคนอื่นๆอันนี้การปฏิบัติแบบใดอย่างไร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 เดือยไปเชิญอะไรสักอย่างหนึ่งให้มาช่วยจิตถ้ามันเป็นไปได้เร็วเลยทาลองนั่นอันนี้มันมักจะเกิดความวิตกกังวลว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาสิงมาสู่ภายในจิตใจใจแล้วก็ทําให้จิตใจเนี่ยเกิดมีความหวาดกลัวอันนี้เคยเจออยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นคู่ที่สนใจที่จะทําสมาธิให้เกิดประโยชน์กันจริงๆนี่ ถ้าจะพยายามเลือกเฟ้นหาครูบาอาจารย์ที่สอนในทางที่ถูกต้องบ้างก็จะดีเช่นอย่างบางครั้งก็ไปหลงเชื่อให้เขาไปลงกระหม่อมแล้วก็ไปยกครูยกอะไรขึ้นมาภาวนาแล้วก็เสียสติสตงังมีการเข้าเจา้าทรงถีไปอะทํานองนั้นมันไม่ถูกทางอันตรายของนักปฏิบัตินี่มีมากเหลือเกินไอผู้ที่ทาไปนั้นไม่ทราบว่าท่านมุ่งผลประโยชน์อันใด น, นี่ก็ไม่ขอวิจารแต่ว่า การที่ไปเรียนสมาธิแบบมันเหมือนกับเรียนไสยศาสตร์กันเป็นการไม่ถูกต้องอาจารย์คล้องหลวงพ่อนี่ยก็สอนคนแต่ท่านสอนแต่ฆรวาดและฆรวาดนี่ก็สอนแต่โยมผู้ชายโยมผู้หญิงไม่สอนเรียกว่าสอน ร, รมพระไตรใครใภาวนาเป็นแล้วมีสมรรถภาพในการขับไล่ผี คนที่ถือผีถือสางนี่เอาไปทำน้ำมนต์ขับไล่ในเลกถือผีถือสางมดแต่ว่าเมื่อภาวนาแล้วปีติขึ้นแรงพอภาวนาตอนแรกๆเนี่นึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธในใจพอเกิดปีติขึ้นมาแล้วจะมีเสียงพุโทโธพุธโทโธพุทโธดังก้องออกมาพอดังออกมาแล้วยังเหลือแต่โทโทโโทขับเดี่ยวพอเงียบโธลงไปแล้วทีนี้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 ละอายต่อบาปจะดุ่งกลัวต่อบาปที่นี้ผู้ที่ทำดีที่ไปเกิดสวรรค์นเนี่ยเช่นอย่างฝรั่งเขามาตั้งโรงพยาบาลให้เมืองไทยเราเขาก็ทำบุญสาธารณประโยชน์อันนี้เขาก็ทำบุญได้คนในลทัทธิาศาสนาอือที่จะให้ไปเกิดสวรรค์ได้แล้วเขาทำชั่วในขั้นที่จะไปตกนรกได้ ธรรมะที่วะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ถ้าเป็นการภาวนาก็อยู่ในขั้นที่จิตเดินภูมวิปัสนาสามารถที่จะพิจารณาสภาวธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะของปัจจัยรักเคยเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเ็นจขันอันนี้คือภูมชั้นของศาสนาของพระพุทธเจ้า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 แต่ถ้าบำเพ็ญฌานให้สะดวกสบายคล่องแคล่วดีแล้วเอาจิตที่ได้ฌานนั้นอนะ่ะช่วยโอกาสเวลาพอที่จะพิจารณาอะไรได้น้อมไปสู่การพิจารณาสภาวธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงจนสามารถเห็นทุกขสมุทัยนิโรธมักเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาจิตปล่ อ, อยวางแล้วก็พ้นจากกิเลสได้อันนั้นอยู่ในขั้นศาสนาพุทธ โดยเฉพาะการแผ่เมตตาให้กับผู้คิดร้ายต่อเราหากจะให้ได้ผลเร็วควรทาอย่างไรกินเวลานานเท่าไหร่จึงจะได้ผลถ้าไม่ได้ผลแสดงว่ากิเลส ข, ของผู้รับหนารับไม่ได้ดนการแผ่เมตตานี่จะให้ได้ผลเร็วหรือไม่ได้ผลเร็วนั้น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 ทำให้จิตมีเมตตามีกรุดามีกมทิตามีอุเบกขาเป็นอุบายกำจัดความอิจฉาริชิสยาหรือกำจัดความอิอกิเลสที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่โหดเที้ยมในจิตในใจให้หมดไปสำหรับการตอบปัญหาก็เป็นอันสิ้นสุดลงเพียงแค่นี้ ตามที่ให้คำตอ บ, ตอบไปนั้นบางทีอาจจะมีผิดพลาดไปตรงตามความต้องการของท่านผู้ถาม <c oughs> ก็เอาโอกาสถืออภัยอ้าวขออภัยท่านผู้ถามด้วย